ขอนอบน้อมต่อคุณพรัตนาตรายัยโวกาดหลมอกลมเพื่อนสตรมิก ท, ท, ท, ท, ท, ทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านเมื่อวานเ <c oughs> มื่อวานนี้อาจารย์โน้ตก็ได้พูดถึงโรงพยาบาลเชยภูมิที่ตึกสงฆ์พาดได้ติดข้อความที่เป็นกติธรรมที่ให้ข้อความที่ สกิดใจทีดีเนาะบอกว่าเงินทองส่งถึงโรงพยาบาลลูกหลานส่งถึงหลุมศพ บ, บุญกุศลส่งถึงพบหน้าภาวนาส่งถึงนิพพานอันนี้ก็เป็นข้อความที่สามารถที่จะสกิดใจกับผู้ที่ได้อ่านข้อความเหล่านั้นได้ดูถึงขั้นตอนต่างๆในการที่ว่า เราจะมีการใช้ชีวิตในเบื้องสุดท้ายอย่างไรเนาะโดยเพราะที่ตึกสงภา น, นั่นก็เป็นจุดที่สำคัญที่ว่าพระส่วนใหญ่ก็มาอยู่รักษาในบริเวณนั้นก็เป็นข้อสะกิดใจให้กับพระด้วยว่าจุดสุดท้ายของพระจริงๆนั้นคืออะไรเนาะก็คือการที่ภาวนาส่งถึงนิพพานนั่นเองนะ ส่วนญ <c oughs> าติโยม ท, ทั่วไปเขาก็มีเงินมีทองนะมีเงินมีทองมากมายนะเขาก็สามารถที่จะส่งตัวเองหรือญาติพี่น้องไปตามโรบาตต่างๆได้ผู้ที่มีเงินมากนะก็สามารถส่งไปตามโรบาตเอกชนที่มีชื่อเสียง เพื่อที่ว่าจะรักษาตัวเองหรือญาติพี่น้องให้หายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าทุกวันนี้มีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งบางคนทํามีเงินมากแล้วนะถ้ารู้สึกว่าสมญาติพี่น้องมาตามโรงพยาบาลรัฐบาลก็รู้สึกว่าอาจจะไม่หายเลยจะทําให้รักษาไม่เต็มที่ก็พยายามส่งไปตามโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงต่างซึ่งการรักษานีก็แพงมากนะแต่ญาติพี่น้องทุกคนก็ยอมที่จะเสียเงิน ในตรงนั้นนะเพราะว่าอย่างที่ว่านนะเงินท้องก็ส่งถึงโรงพยาบาลนะบางคนก็เรียกว่ามารักษาทั้งหมดนะมีเท่าไหร่ก็รักษาจนเต็มที่นะเป็นเสียงเงินเป็นแสน ล, ล้านก็ไม่เป็นไรนะแต่จริงๆแล้วในในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนที่ว่าโรงพยาบาลก็ยังไม่มีมากมายขนาดนี้นะนะบางทีนะถ้ารู้ตัวว่าต้องตายในแน่ แล้วนะเขาก็พยายามที่จะไม่ส่งโรงพยาบาลกันนะคือรู้ว่าต้องตายแน่ๆแล้วเนี่ยจะส่วนใหญ่จะไม่ส่งคือต้องการให้ตายทิ้ในบ้านโดยเพราะเป็นความประสงค์ของตัวเองด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งการไปโรงพยาบาลก็เป็นสิ่งดีนะแต่ว่าบางทีก็ต้องไปใส่สายต่างๆมากมายนะสายน้ำเกลือสายออกซิเจน นะหรือหลอดอาหารนะสายใสให้เลือดนะสายต่างๆมากมายนะหรือแม้กระทั่งการปั๊มหัวใจนะอันนีนะ้ในความเห็นส่วนตัวรู้สึก บ, บางทีก็เหมือนกันเป็นการทรมานคนป่วยที่กำลังจะตายอยู่แล้วเหมือนกันนะไปให้สายต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็มันเหมือ น, นกับเป็นการยื้อชีวิต นะอย่างหนึ่งนะ้วก็ทำให้เขานะอาจจะไม่ได้ตายด้วยจิตที่สงบนะอย่างที่ตอนแรกอาจาไย์ใ่ซางก็เคยเล่าบอกว่ า, วามีมีมีแม่คนหนึ่งก็กำลังจะตายนะครั้ น, นี้ก็ยายพี่น้องก็โทรศัพท์ไปแจ้งให้กับลูกชายซึ่งเป็นแพทย์อยู่ที่อเมริกาทราบนะลูกชายก็เดินทางกลับมามาถึงก็แม่นะตายพอดีนะ ลูกชายเป็นหมอก็กลับมาถึงก็มาปั๊มหัวใจใหญ่มาทุกหัวใจปั๊มเข้าไปใหม่ปั๊มแรงๆแม่ก็ฟื้นไปครั้งหนึ่งลูกชายก็ดีใจนะบอกว่าโอ้เนี่ยดีใจที่ได้เห็นใจแม่แม่ก็ถามว่าลูกแม่กำลังไปดีแล้วนะแม่ไปด้วยจิตสงบแล้วแม่ได้เห็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้าแล้ว กำลังจะไปที่แสงสว่างนั้นลูกไปเรียกแม่กลับมาทำไมนะลูกชายได้ยินเช่นนั้นก็น้ำตาไหลนะนะก็คือความที่ไม่เข้าใจของคนยุคใหม่นะที่ต้องการยื้อชีวิตนะให้ถึงที่สุดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นแหละเป็นการทำให้จิตที่สงบแล้วนะโดยตามธรรมชาติที่เสียไปตามธรรมชาติซึ่งเป็นจิตที่งสง บ, สงบเพราะว่าจริงๆแล้ว คนเราขณะที่หัวใจหยุดเต้นนั้นมีความสงบเป็นร ะ, ระดับหนึ่งเขาก็ความเวทนาทางกายก็ไม่มีนะเขาก็ไปด้วยสุขติของเขาอยู่แล้วนะแต่ว่ากับเป็นการที่เราไปทำให้เขาไม่สงบเองนะโดยวิธีการต่างๆเนะช่นการปั้มหัวใจต่างๆเป็นต้นนะบางคนจริงๆแล้วก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือจะไม่ไม่รู้ว่ายังเป็นหรือ ย, ยังตายอยู่ก็ปั้มหัวใจอยู่นั่นแหละ ก็คือจริงๆเราคอยจะตายไปแล้วก็ได้แต่ว่าต้องทรมานในการที่เรียกว่าให้มีชีวิตอยู่ในการปั้มหัวใจไปเรื่อยๆนะคือว่าถ้าเอาเครื่องปั้มหัวใจหรือหยุดเมื่อไหร่หยุดปั้มหัวใจเมื่อไหร่ก็คือตายยิงตายทันทีเมื่อนั้นนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งน่าคิดว่าบางทีลูกหลานจะมีใครกล้าไหมที่บอกว่าเออ ใ, ให้ถอดเครื่องปั้มหัวใจหรือถอดออกซิเจนหรือถอดอะไรออก ถ้สถาะแล้วก็จะตายทันทีนะมันจะคาบกึ่งกันระหว่างอนันตริยกรรมหรือเปล่าการการฆ่าบิดามารดาก็เป็นอนันตริยกรรมซึ่งเป็นกรรมหนักนะก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าคิดในคนยุคนี้หรือแม้จะมีนักการเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะเคยเป็นนายกและมติด้วยก็สูบบุหรี่หนักแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีอาการบางอย่างที่แสดงว่าน่าจะเป็นโรคถุงลมโป่งพอ ง, อ ง, องนะ การเป็นโรคทุงลงป่องๆนี่อันตรายมากแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้นะแล้วก็แล้วก็ถ้าส่งลงพยาก็จะทรมานมากก็สั่งลูกหลานมาว่าเออถ้าถ้ามีอาการเช่นนี้เช่นนี้นะอย่าส่งลงพยาบาลเป็นขาดให้ปล่อยไว้ที่บ้านนี่แหละห้ามส่งลงพยาบาลนะให้ลูกหลานรับปากไว้ลูกหลานก็รับปากแต่พอเกิดอาการเช่นนั้นจริงๆลูกหลานก็ลืมส่งลงพยาบาลนะคือโรคทุงลงทุงลงป่อง เขาไปทรมานในโรงพยาบาลถึงปีกว่าถึงจะตายนะซึ่งจริงๆตัวเองก็รู้แล้วแหะว่ามันต้องตายอยู่แล้วแต่ไม่อยากจ ะ, จะทรมานก็ให้ตายเร็วๆดีกว่านะแต่ด้วยความหวังดีลูกหลานก็เป็นการไปทรมานเขามากกว่านะครั้ น, นี้ก็เมื่อก่อนก็เคยมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ใกล้จ ะ, ะตายเหมือนกันนะก็ไปเยี่ยมนะ ล, ลูกหลานไปกันเยอะแยะเลย ปรากฏว่าเขาก็มีฐานะดีแต่ก็ไม่ส่งโรงพยาบาลก็ไว้ที่บ้านานั่นแหละแล้วก็ดูอาการไปด้วยความสงบตอนนั้นลูกหลานก็ไปกันเยอะแล้วก็ทุกคนนั่งด้วยความสงบหมดให้เขาตายด้วยความสงบก็ดูดูคนนี้ตายไปด้วยความสงบเขาก็ตายด้วยความสงบจริงจรนะไม่มีใครร้องไห้ไม่มีใครส่งเสียงอะไรเลยทุกคนรู้เรื่องกันหมดก้อนนี้ก็ไปไปด้วยความคิดว่าไปดีดนะเพราะว่าร่างกายไม่มีสายอะไรทั้งสิ้น อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าออในยุคสมัยใหม่นะก็บางบางคนก็ไม่รู้กันก็จะใช้วิธีการต่างๆที่ว่าจะรักษาแต่ถ้าการรักษานั้นเป็นการที่เรียกว่าเขายังไม่ถึงเวลาที่ว่าน่าจะตา ย, ยาจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าดูอาการแล้วเขาคงไม่รอดแน่นก็อย่างที่ว่าอยู่ที่เราตัดสินใจอย่างไรมากกว่านะหรือแม้แต่หลวงพ่อคำเขียนเองท่านก็รู้ว่าการท่านว่าคราวนี้ท่านก็ไม่รอดแน่น่ท่านก็ไม่ไปอยู่โรงพยาบาล เราก็รักษาเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้นเองนะท่านก็ไม่มีสายอะไรเยอะแยะแล้วท่านก็รู้สึกตัวดีท่านก็เข้าห้องน้ำต่างๆชำระสิ่งที่ว่าจำเป็นในขณะนั้นแล้วก็จากไปด้วยดีพร้อมกับสามารถเขียนจดหมายสั่งเสียได้นะฮะ น, นี้แสดงถึงสติที่สมบูรณ์ด้วยความรู้ตัวแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยความทุกข์ทรมานนันนี่ก็เป็นลักษณะของ ผู้ที่เข้าใจในธรรมะแล้วนะก็จะไม่ไม่เป็นห่วงสังขารต่างๆเนาะบางทีบางบางทีสมัยก่อนก็เคยไปอยู่วัดอื่นก็ไปดูแล้วก็เจ้าวาดนี้ท่านก็มีความทรมานนะมีการให้สายอาหารทางหลอดอาหารท่านก็ทรมานมากท่านก็คันคันจมูกแล้วก็ดึงสายหลอดอาหารลงมา นะก็ใส่ก็ไปใหม่ก็โดนดึงมาใหม่นะคณิพาก็เลยไปผูกมือไว้เลยผูกมือกับเตียงสองข้างให้คือตอนแรกใส่ถุงมือแล้วก็ถุงมือไปดึงหลอดออกมาอีกก็เลยผูกมือไว้ทั้งสองข้างติดกับเตียงปรากฏท่านก็ทรมานมากโดนผูกมือแล้วก็เอามือไปดึงสายหลอดนะหายไม่ได้ท่านก็พลิกตัวก็พลิกไม่ได้จะทําอะไรก็ไม่ได้กลายเป็นทรมานหนักกว่าเก่าอีกนะดูแล้วก็น่าสงสารท่านนะ ก็บางบางทีก็อย่างที่ว่านะั่นแหละมันก็กลายเป็นทรมานคนป่วยไปนะมันก็อยู่ที่พิจารณาญาณของแต่ละคนว่าควรจะทําอย่างไรนะไม่ใช่ว่าการส่งโรงพยาบาลก็เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปแต่ว่าดูว่ามีความจําเป็นไหมนะถ้าท่านมีอาจจะหายได้หรือว่าไปรักษาโรงพยาบาลแล้วน่าจะหายก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าคิดว่าออคงจะไม่หายแล้วนะครับนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วก็ให้ท่านเป็นไปด้วยความเสียพปรียบธรรมเป็นธรรมชาติอย่าไปทรมานท่าน อย่ามีสายอะไรเยอะแยะมากมากมายนะนี้ก็เป็นทำให้ท่านอาจาจิตใจของท่านเนี่ย เ, เกิดเวทนาในตรงนั้นก็เป็นสิ่งไม่ดีนะเราก็ร่างกายจิตใจก็เกี่ยวข้องกันนะร่างกายมีความทุกข์จิตใจทํำไมปล่อยไว้ว่างมันก็ไปในทางไม่ดีนะอย่างที่บอกว่าจิตเตสังเลเททุกขติปาเดงคางเมื่อจิตเศร้าหมองและทุกขติเปน็นนันหวังได้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้จิตใจของท่านมีความเศร้าหมองในสิ่งต่างๆ่า ง, า ง, างนะบางคนไม่รู้ก็ไปร้องไห้นะ ร้องไห้ต่างๆและทำให้จิตใจท่านอาจจะห่วงใยเกิดความเศร้าหมองนะตรงนี้ก็ต้องเข้าใจออการร้องไห้มันดีไม่ดีนะหรือว่าควรจะทําอย่างไรที่จะทําให้จิตท่านไม่เศร้าหมองตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ลูกหลานก็ควรที่จะคุยกันก่อนว่าขณะนั้นเราควรจะทําอย่างไรหรือถ้าเกิดเหตุการณ์ระดับนี้ระดับนี้เราควรจะทําเช่นไรต้องตกลงกันไว้ก่อนนะไม่งั้นสิ่งต่างเกิดขึ้นก็จะแก้ไขไม่ทันเนาะ อาคันนี้ตัวเราเองแล้วก็เมื่อไม่เมื่อถ้าเป็นตัวเราเองแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะเกิดบางที่ตัวเราเองอ่าเมื่อขณะเราเจ็บป่วยแล้ ว, ล, วลูกหลานก็จะส่งเราที่โรงพยาบาลคันนี้เราก็ต้องช่วยตัวเราเองละเราจะรักษาจิตใจอย่างไรเองเราไม่ให้เศร้าหมองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องฝึกไว้ก่อนนะในการที่เราสามารถปล่อยวาง อ, อารมณ์ต่างๆได้ไหมความยึดติดต่างๆที่จะทําให้จิตเราเศร้าหมองได้ไหมเพราะจิตคนเรานี่สําคัญนะอย่างที่ว่าจิตเศร้าหมองแล้วก็ ทุกติเป็นอันหวังได้เหมือนกับพระนางมริกาเทวี TV, นะันท่านก็ทำบุญกุศลไม่เยอะทำบุญกับพระเจ้าด้วยนะแต่ว่าตอนก่อนตายก็นึกถึงบาปที่ตัวเองทำเอาไว้นะก็ไปลงนรก7วันนะหลังจาก7วันแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์นะอันนี้ก็ขนาดนะทำบุญไว้เยอะก็ยังนะถ้าไปนึกถึงนะบาปต่างๆก็ทำให้จิตใจสมองก็ไปสู่ใบยมได้เช่นกันเนาะ เพราะฉะนั้นเราที่เป็นนักปฏิบัติก็ต้องพยายามรักษาจิตใจเอาไว้ก็คือในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ฝึกในการที่ไม่ให้จิตใจเศร้ามองบ่อยๆก็แล้วกันนะเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นจิตเหตุให้จิตใจเราเศร้หมองอยู่เรื่อยๆนะอย่างที่ว่าเราโกรธเขาเราก็มีความทุกข์น ะ, อ, ะอันเนี้ตรงเนี้ยเรารู้เท่าทันแล้วเราก็ต้องวางไปปล่อยไปคลายออกจากอารมณ์ต่างๆให้ไว เพื่อให้อะไรเพื่อให้จิตใจมีทักษะในการที่จะเกิดการปล่อยการวางไม่ให้ความเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตนะเพราะขณะเรายังมีชีวิตมีความแข็งแรงมีสติปัญญาเรายังปล่อยไม่ได้แล้วตอนก่อนตายนั้นนะในขณะนั้นจิตเราก็อ่อนแอร่างกายก็ไม่แข็งแรงแล้วเราจะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้หรือนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกไว้ตั้งแต่เรายังดีๆอยู่นี่แหละเหมือนกับคนที่ว่าร อ, อ, อให้เรือล่มก่อนแล้วไปหัดว่ายน้ำนะ มันก็ไหวไม่ได้หรอกต้องหัดไหว้ในขณะที่เราดีๆนี่แหละเมื่อหัดไหวน้ําเป็นแล้วมันก็อยู่ไหนก็ได้นะจะตายอย่างไรก็ไม่เป็นไรเราก็ไหวน้ําเป็นเราก็ปล่อยวางได้ให้จิตใจของเราผ่องใสให้จริงเราไม่เศร้าหมองให้จิตเราไม่ยึดติดในสภาวธรรมต่างๆอันนี้เป็นเหตุให้พระนิพพานปรากฏขึ้นในใจเราได้อย่างไงได้นั่นก็คือความที่ไม่มีสภาวธรรม ใ, ใดๆที่เราไปยึดติดตรงนั้นเนะาะคราวนี้ ลูกหลานก็ส่งถึงหลุมศพนะลูกหลานก็ส่งหลุมศพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าลูกหลานมันก็ได้แสดงความกตัญญูเต็มที่แล้วนะได้ส่งถึงหลุมศพได้ทาหน้าที่ของลูกหลานแล้วบางทีก็มีการบวชลู ก, ล ก, ลกลหลานนะเป็นพระเป็นเนนก็มีส่งถึงหลุมศพนะแต่จริงๆแล้วไม่รู้เป็นพระหรือเป็นเนหรบางทีหมดไม่กี่ชั่วโมงศีลก็ยังไม่ได้รักษาอะไรสักไรเลยนะยังไม่ได้ ใช้ชีวิตควาเป็นพระอะไรเลยนะบวชตามประเพณีเท่านั้นเองนะก็จริงๆริงบางทีก็กลายเป็นแค่ประเพณีนะหรื อ, อพิธีกรรมเท่านั้นเองนะมันไม่ได้เข้าถึงความความที่เรียกว่าบุญที่ลูกหลานบวชในครั้งนั้นอาจจะส่งให้ญาติาพี่น้องได้จริงหรือเปล่านะบางทีศีลก็ยังไม่ได้รักษาเลยนะก็เป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไม่เคยรักษาศีลสอง ใดๆเลยนะมันกลายเป็นพิธีกรรมไปนะแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ว่าเออถ้าไม่ได้บวดรูปบวตรล้านนะแต่ว่าญาติพี่น้องทุกคนนะตั้งใจรักษาศีล น, นะแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนส่วนให้อย่างเต็มที่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่สามารถใช้ได้นะแต่ถ้าลูกหลานคนไหนที่เข้าใจนะ อ, ะอย่ากบวชนะอย่างน้อ ย, อยก็สักเจวันไปเลยบวชเจดวันแล้วก็บาเพ็ญอ่า นักษาะศีลเจริญภาวนาออุทิศส่วนส่นให้กับผู้ที่เสียชีวิตอันนี้น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าที่ว่าบทตามประเพณีนะครั้ น, <c oughs> น, นี้ไม่ใช่ว่าส่งถึงลุมศพแล้วมันจะหมดหน้าที่นะหน้าที่ก็ต้องทําต่อไปนะก็คือมันอ่าทําบุญอุทิศส่วนส่นให้กับผู้ที่รู้ลับไปแล้วอยู่เสมอเสมอไม่ขาดนะแม้แต่เจ็ดวันไปแล้วก็สามารถทําบุญได้อยู่เรื่อยๆนะ หรือแดงของทางจีนเนี่ยก็จะมีทุกปีนะมีบรนเชงเม้งนะก็จะรวมญาติพี่น้องมาทั้งหมดมาร่วมกันนะแล้วก็มีการไหวนะ้มีพิธีต่างๆมาไหว้กันเอาอาหารต่างๆมาไหว้เพื่ออุทติส่วนสนให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้ก็เป็นพิธีที่ดีนะในการที่เราเป็นการไหว้ แต่ว่าตอนนั้นอาตมาก็สมัยยังเป็นโยมนะก็ไม่รู้ว่าจ ร, จริงๆแล้วท่านจะได้หรือเปล่านะก็เลยตอนนั้นก็มีสุสานใหญนะ่สุสานะสุสานใหญ่ที่มหาชัยนะมีศพอยู่เยอะแยะเลยนะก็เลยว่าตอนนั้นยายกับแม่ก็เสียแล้วเจ้าฝังใกล้ๆกันก็เลยทำพิธีอย่างไรนะก็เลยจัดพิธีรวมไปเลยนะที่ศาลาของสุสานนะั้นนิมนต์พระมาก้าวองนะแล้วก็ ประกาศให้ให้ผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นวันเชงแมงก็มาร่วมกันถวายพระตาหารมาร่วมกันพิสูกุศลต่างๆเนาะก็มีคนมาร่วมกันเยอะพันขวัญเนาะหลังนั้นก็ทําทําเองนะก็เวลาถึงวันเชงแมงก็จัดนะ น, นอกจากเส้นไหว้แล้วก็มีนิมนต์พระมาทุกทุกครั้งนะมาแล้วก็สี่องค์แล้วก็ ทำบุญสวมดมนต์แล้วก็ถวายปัะตาหารแล้วก็ถวายสังฆทานแล้วก็กล่ า, าวคําืุทินให้กับจิตวิญญาณทั้งหลายทั่วทวไปเลยนะในสุสานนั้นให้ได้รับสุสนทรัต่างๆก็คือทําให้พ่อแม่โดยแล้วก็จิตวิญญาณทั้งหลายแล้วก็มีวิญญาณที่มีไม่มีญาตินี่มีมากมายตายโยบัดเหตุต่างๆเป็นอีกอเป็นเลยร้อย เ, เป็นพันที่ฝังอยู่ก็จะได้รับส่วนบุญในครั้งนั้นนะต่อมาก็มีญาติคนหนึ่งก็ฝันบอกว่าออมีจิตวิญญาณเข้ามาบอกว่าเขาก็ได้รับส่วนบุญในตรงนั้นนะ ก็เลยทํามาจนถึงทุกวันนี้นะ <c oughs> เนาะแต่แต่ของไทยนี่ก็มีนะก็วันสงกรานก็มาทําบุญอุทิศให้กับทาตทาตก็คือทาตของญาติพี่น้องที่เราไปแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะอาศัยพิธีกรรมเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าออลูกหลานส่งถึงหลงศพแต่ว่าเราก็ส่งส่งถึงพบหน้าให้ท่านมีความสุขใ น, ใ น, ใ, นในพบที่ลวงรับไปแล้วด้วยนะก็คืออย่าไปทิ้งในแค่ตรงนั้นแต่ก็ทํา ทำต่อไปนะแม้แต่เร า, าส่วนบอนที่ว่าเร า, ามีการกวดน้ำต่างๆก็ติศได้นะหรื อ, อพระยะถาตอนน่อไหนเราก็กวดน้ำได้ให้กับญาติพี่น้องทั้งหลายนะเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องทำไว้เรื่อยๆนะเป็นสิ่งที่ว่านี่แหละเป็นการทำให้ญาติพี่น้องในแท้จริงนะต่อม า, อา บุญกุศลก็ส่งถึงภพหน้านะเราตามได้ที่เรายังไม่ถึงพระนิพพานนะเราก็ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันยาวไกลนะเราก็ต้องทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาต่างๆเราเนี้ยไม่ได้หายไปไหนนะนะบางคนบอกว่าเออภาวนาแล้วจะได้บุญสูงกว่าให้ทานรักษาศีลก็เลยภาวนาอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าเราทําให้พร้อมก็แล้วกันนะเป็นการ เกื้อกูลกับตัวเราเองด้วยแล้วก็เกื้อกูลกับผู้อื่นด้วยอันนี้เป็นการที่เรียกว่าเราแพ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะจิตเราก็จะมีความเบามากขึ้นเพราะเราไม่ได้เห็นกับตัวในการที่ว่าเราทำเพื่อเราคนเดียวแต่กับทำเพื่อให้กับคนอื่นมีความสุขด้วยแล้วก็ทำเพื่อตัวเราเองด้วยนี่แหละเป็นการให้ทานรักษาศีและเจริญภาวนาะเหมือนกับที่ทางจีนหรือทางไต้หวันกันนะอย่างชื่อจีนนี่เขาจะทาเหมือนกับเขา มีปฏิธานพระโพธิสัตว์นี่ยจะทําเพื่อส่วนรวมเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นการทำของเขาเนี่ยจึงแผ่เมตตาไปกว้างไกลทั่วประเทศเลยหรือออกนอกประเทศด้วยในการที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขเพราะฉนั้นพลเมืองอประชาชนก็จึงมีความสุขมากเพราะว่าจากการช่วยเหลือของอผู้ที่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์นั่นแหละแต่ความเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือเมื่อเราได้ภาวนาจริงๆแล้วนะมันก็สามารถที่จะเป็นพระหันได้เหมือนกันนะเพราะว่า เราไม่ได้ไปปรารถนาอะไรแต่ว่าเรามีแค่ปณิธานของพระบริษัทอยู่ก็คือการที่เราทําทุกอย่างเพื่อคนอื่นไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองนะแล้วก็ถ้ากว่าเราไปหวังว่าเ อ, อชาติหน้าเราเราทําบุญในครั้งนี้ก็ขอเราได้ขึ้นสวรรค์นะขอเราเกิดในภพภูมิที่ดีนะอันนั้นก็เป็นการไปปรุงแต่งจิตของเราแล้วนะให้เราอืการที่เราไปปรารถนาอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือพบกืบชาติทั้งหมดนะ จริงๆก็คือการปล่อยการวางการไม่ยึดติดการไม่ได้ปรารถนาอะไรเพราะฉะนั้นการทําบุญก็ไม่ต้องปรารถนาอะไรปรารถนาเต็มที่ก็ขอพระนิพพานก็พอแล้วนะหรือจ ร, จริงๆแล้วไม่ต้องปรารถนาอะไรก็ได้ก็คือการทําบุญก็เป็นการที่เราละสละความตันีทีเหนียวความโลภความเห็นกก่ตัวเท่านั้นเองนะไม่ได้ปรารถนาอะไรนี่แหละมันจะได้บุญที่สูงสุดนะยิ่งใครปรารถนามากๆนะอันนี้ก็กลายเป็นอกุศลกรรมก็คือเกิด ตั้หาเกิดความโลภขึ้นในขณะนั้นบุญก็ลดลงไปอีกนะอเนาะแนวตรงนี้ถ้าเราทําบุญด้วยความเข้าใจบุญเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคราวนี้นะ่ะภาวนาก็ส่งนิพพานนะอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะก็คือในเมื่อเราไม่ปรารถนาสิ่งใดแล้วนะก็คือจิตของเราก็มีแต่การปล่อยการวางการไม่ยึดติดการคลายออกจากตั้หานะการคลายจากตั้หานั่นแหละคือนิโรธก็คือการให้ทําให้ตั้หาไม่มีที่อาศัยในจิตเรานี่ก็คือเป็นการดับทุกข์ ในสุดเมื่อความดับทุกหมดสิน้นจนทุกสิ้นไปแล้วนั่นแหละมันก็เป็นสภาวะของพนันะิชพานะอันนี้ก็คือเราภาวนานะเราก็จะถึงพันิพภานในตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าเรานะปั่นนาพนิพภานในชาติหน้าชาติโนูน้นในอนาคตการเมืองหน้านอนเทินอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าเราทําในปัจจุบันนี้ได้ไหมนะทำในปัจจุบันนี้เลยไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาติโนูน้นนะเพราะมันไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่ เราไม่ต้องไปรอว่าอน า, าคตเราจะสอบได้ขึ้นหนะึ่งเมือม่อถึงปีนู้นเราค่อยสอบได้ขึ้นหนึ่งนะแลไ้ไม่สอบได้ขึหนึ่งในปัจจุบันนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่ า, าเมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วนะได้เกิดเป็นมนุษย์นะแล้วก็มีชีวิตรอดอยู่ได้ไดพบผู้ศาสนาได้มาฟังธรรมแบบธรรมแล้วนี่แหละเป็นสุดยอดของอบุญกุศลแล้วนะเป็นสุดยอดของราบแล้วตรงเนี้ก็คือเมื่อเรามีเหตุ พร้อมนะเหตุพร้อมแล้วปัจจัยที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็สร้างเหตุให้พร้อมแล้วปัจจัย ค, คือพันธิพานก็เกิดขึ้นมาเองก็มีเหตุมันพร้อมแล้วอะ่ะก็คือเราสร้างบุญมาต้องนับพบนับชายิไม่ท้วนเราจึงมีเหตุพร้อมนะเมื่อมีเหตุพร้อมแล้วเราก็ต่อยอดไปให้ถึงพันธิพานในชาตินี้เลยนะไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาติโนูน้นเบื้องหน้านานคตการโน้นเทินนะก็คือการสอบไป้ขึ้นหนึ่งก็คืออย่างไรนะประการแรกก็เราไม่ก็มีสติ การที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราน ะ, ะรู้ว่าขณะนี้เป็นอย่างไรมีอาการต่างๆอย่างไรเกิดในใจเร า, าในสติปัฏฐานสี่พระเจ้าบอกว่าในเรื่องจิตตาบอกว่าจิตมีราคะก็รู้มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีาาม โ, ม โ, มโมหะ จ, จิตไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะ จิตมีอาการอย่างใดก็ให้รู้ตามอาการเช่นนั้นนะอันนี้ก็คือให้เรารู้เท่าทันอาการของจิตต่างๆที่เกิดขึ้นนะการที่เรารู้เท่าทันนี่แหละมันก็เป็นสติแล้วนะเพราะเราก็ไปเห็นสภาวะธรรมขณะนี้มีโทสะไหมมีเราก็รู้เฉยๆนะเมื่อรู้เฉยๆแล้วเขาก็ดับไปอพอเรามีกําลังสติเขาก็ดับไป เ, เขาไม่ดับก็ไม่เป็นไรก็เป็นเช่นนั้นของเขาเองน ะ, ะงเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย นะความโกรธมันก็ไม่ตัวไม่ตนของเรานะเพราะก็เกิดตามปฏิจจญสมุปบาทนะก็คื อ, อผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นจัดปัจเกิดตัณหาตัณหาปัจัยเกิดวัฏฐานวัฏฐานปัจใจให้เกิดภพภพปัปใ จ, ปปใจ ใ, เ ใ, ใจใเกิดชาติเกิดชรามรณะตามมานะเพราะนั้นเมื่อมีผัสสะก็ต้องมีเวทานาเป็นธรรมดานะเมื่อมีผัสสะมันก็มีความไม่พอใจเป็นธรรมดา น, นี่แหละครับ เ, เป็นไปตามปฏิจจญาสมุปบาทไม่ใช่ไม่ใช่เพราะตัวเราทําให้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นไปตามสภาวของธรรม เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามสภวาวธรรมเช่นนั้นเองน ะ, ะไม่ใช่ของเราคือคือจิตเขาทํางานตามกระบวนการของเขาและจิตก็ไม่ใช่เรานะเพราะฉะนั้นกระบวนการของจิต ก, <า>ก็คืออาการของจิตก็จึงไม่ใช่เราด้วยเราก็มีหน้าที่รู้เฉยเท่านั้นเองนะเขาก็แสดงอาการเกิดดับให้เราเห็นเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาก็เห็นจิตเขาทํางานตามความเป็นจริงของเขาเท่านั้นเองแล้วก็สืบว่าของเขาเองของเขาเองไม่ใช่ของเราไม่ตัวไม่ตนของเรานะเมื่อเข้าใจเช่นนี้มันก็ อาจะเป็นการปิดบัญชีในความที่เรียกว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ดับไปก็เป็นการปิดบัญชีแล้วแต่ถ้ามีตัวเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเขาก็ไม่ปิดบัญชีเร็วนะเขาก็ยังสภาวะหนึ่งที่ว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอยู่นะเราโกรธเรารักเร า, รเรารชังมันเอาอยู่ตัวตนตัวนี้ไม่ได้มันก็กลายเป็นความเนิ่นช้ากลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นการเป็นการยึดติดไม่ใช่การปล่อยกันวางมันก็มีสภาวธรรมสภาวธรรมที่เรายังไปติดไปยึดอยู่นั่นล่ะคือภพคือชาตินะ แต่ถ้าไม่มีสภาวธรรมที่เราไปยึดไปติดมันก็จะออกจากภพจากชาติได้นะตรงนี้เราก็จึงต้องมีสติก่อนนะในการที่จะรู้ทันอารมณ์ต่างๆให้เร็วนะรู้แล้วก็รู้เฉยแล้วก็ปล่อยวางไปยังไม่ยึดไม่ติดนะเป็นของเขาเองเป็นเช่นนั้นเองนะไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะมันก็วางไปทุกอย่างนะจิตเราก็จะค่อยๆรู้เท่าทันนะการรู้ทันนั้นก็ทําให้กิเลสของเราค่อยๆลดน้อยลงนะเราไม่ต้องไปละกิเลสแต่อย่างใดให้เรารู้เท่าทันไปก่อนนะ เขาก็จะค่อยๆลดไปลดไปเรื่อยๆนะเราไม่มีตันหาที่ว่าต้องไปละกิเลสราะกิเลสก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วนะภากิตก็ไม่ยังเราเพราะนั้นกิเลสที่เป็นอาการจิตก็จริงไม่ใช่เราด้วยเราก็เพียงแต่รู้เท่าทันเข้าไปรู้เท่าทันเข้ไปแล้วก็ไม่ให้ค่าเท่านั้นเองนะเหมือนที่หลวงปู่ดูลบอกว่าทานหลวงปู่ดูละมีใครละความโกรธได้เด็ดขาดไหมหลวงปู่ว่าไม่มีใครละได้เด็ดขาดเรามีแต่รู้ทันแล้วก็ดับไปหลวงปู่ยังมีความโกรธอยู่ไหมหลวงปู่ว่ามีแต่ไม่เอาเนาะอ เราก็มีก็ได้ก็ไม่เป็นไรมีเราก็ไม่เอาเท่านั้นเองก็คือไม่ให้ข้าเขารู้เท่าทันความเป็นจริงไปนะว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามาว่าธรรมของเขาเองบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยตรงนี้เป็นพื้นฐานว่าจิตใจนะมันก็ปล่อยก็วางได้เร็วขึ้นมันก็เห็นตามความเป็นจริงนะตรงนี้เรารู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ยึดติดในทุกภาวะธรรมอยู่แล้วนะสังเกตใจของเราว่ามีแง่มุมไหนที่ว่ามีความยึดมั่นในสิ่งใดเกิดขึ้นในใจของเราดูแง่ดูมุมให้ออกนะ ยึดผิดยึดถูกยึดดียึดชั่วไหมนะถ้าเรายึดดีนะเราก็ไปให้ค่ากับสิ่งที่ดีนะก็เป็นพบเป็นชาติอีกนะเราก็ไปคอยเพ่งโทษคนที่ทําไม่ดียึดถูกนะก็เป็นพบเป็นชาติในความที่เราไปยึดในความถูกอีกนะก็เป็นพบเป็นชาติติดต่อไปนะเพราะงั้นการที่เรายึดถูกยึดผิดยึดดียึดชั่วก็เป็นพบเป็นชาติทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นภาวะของความเป็นกลางก็คือความที่มันไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรนะตรงนี้เมื่อเราอ่าสามารถที่จะ เข้าถึงภาวะเรามองเห็นแง่ามุมที่เราไปยึดไหมยึดดีหรือจิตชั่วยึดถูกยึดผิดในตรงไหนนะบางทนะีการที่เราไปยึดผิดนะหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเรากลับเห็นได้ง่ายนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งเราเห็นได้ง่ายอยู่แล้วความโลภความโกรธความหลงแต่จิตที่ไปยึดดีนั่นแหละเราจะมองไม่ค่ยเห็นนะมองไม่ชัด แล้วก็ไปยินดีในสิ่งที่เรายึดนะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะมันก็เป็นพบเป็นชาติอยู่นะต้องสังเกตให้ไวว่ายัางติดในแง่มุมไหนนะแล้วก็ต้องอย่าไปติดในแง่มุมไหนทั้งสิ้นต้องปล่อยสภาวะทั้งหมดให้อยู่ในความเป็นกลางไม่อะไรกับอะไรจริงๆแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นผลิพานในสภาวะนั้นนะในสุดก็จะถึงความพ้นทุกได้นะในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระตรันาตายน้อมในทุกท่าน จะเริ่ด้วยสีสติสมาธิปัญญาแล้ถึงซึ่งความพทุทธู้ได้โดยเร็วพันทุกท่านเธิน